เจ้าหน้าที่รัฐยิงตายเช่นในเหตุการณ์กลอเซสองปีที่แล้วที่ไปถล่มมสัสยิดกลูเซหรือว่ากรณิตากใบมีคนตายเป็นจำนวนมากเกือบครบสองปีแล้วชาวมุสลิมเหล่านั้นเขาก็จะหลายคนเลยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระอัลเลาะห์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 ีต้องอาศัยทั้งน้าทั้งไฟเพราะฉะนั้นถ้าน้ามากไฟก็แฉ่ถ้าไฟมากไฟก็ไหมอย่างนี้แหละเป็นอื่นตายไม่ได้แล้วก็ธรรมดาในการเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยหรือรั่วต่างเสตต่างสิ่งต่างๆนี่มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมากมายซึ่งไม่ต้องบรรยายไม่ต้องเจรไนเพราะมันมีเยอะมากเมื่อเรารั่วมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยและเมื่อเหตุปัจจัยนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ลงตัวกันมันก็ทําให้เกิดสิ่งที่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 ก็ถูกของเขานะที่ฝนตกแต่ที่เราทุกข์เพราะว่าใจเราวางไม่ผิดอันนี้ลองปรับใจของเรให้วางให้ถูกดูกบ้างก็ไม่ทุกข์นะบางอย่างก็เป็นเรื่องง่ายง่ายเช่นอียายคนหนึ่งแกเรียกคุณป้าดีกว่าเวลาฝนตกก็ทุกข์เสียใจกังวลเพราะวันนึกถึงลูกเพราะลูกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพวกช่างปั้นช่าง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 ไอ้ที่มันเป็นโทษก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นทุกข์เราก็ได้เห็นเลยวอนี้ก็ได้เห็นอนิจจังเนี่นะเห็นนั้นอนิจจังเมื่อกี้ยังสบายดีอยู่เลยเมื่อกี้ยังเคลิ้มอยู่ดียังสบายดีอยู่เลยอ่าตอนนี้โกรธซะแล้วนะทําไมจิตมันแปรผันเร็วอย่างนั้นเราได้เห็นอนิจจังเราได้เห็นทุกข์ของความโกรธ ว, ว่ามันเผาลนจิตใจอย่างไรบ้างและตอไปก็ได้เห็นอนัตตาก็เรียได้ได้เห็นไตรลักษณ์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 ถ้าเราเอาธรรมะเป็นใหญ่แล้ว้ผลมันจะเป็นยังไงเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตหรือว่ายกให้เป็นเรื่องของตัฏฐาซะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันจะมีความสุขจะมีกําลังใจในการทําความดีมากมายรวันนี้เราลองคิดเจรณามองอะไรให้เป็นเรื่องของตัตาบ้างหรือว่ายกความสําเร็จความล้มเหลวให้เป็นเรื่องของตๆๆัฏฐาเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็อย่ามองเป็นปัญหามองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดา